อนาปติวาลภิกษุณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตเจิบเอ .1 ดหนสตรีมีคันภิกษุณีสําคัญว่าไม่มีคันจึงบวชให้ 2. สตรีไม่มีคันภิกษุณีสําคัญว่าไม่มีคันจึงบวชให้สาภิกษุณีวิกวจริตสีภิกษุณีต้นบัญญัติสิกขาบทที่หนึ่งจบ